พระพุทธเจ้ายัางได้ตรัสสอนไว้อีกว่าให้มีสตาทิปไตยคือมีสติเป็นใหญ่จะเป็นคนอื่นก็ตามเป็นตัวเองก็ตามให้ใช้สติเป็นใหญ่คือความระลึกได้ความระลึกรู้อันถูกต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้อง ดังนี้เรียกว่าสต้าทิปไตยมีสติปัญญาิเมื่อได้สต้าทิปไตยคือมีสติปัญญาิด้วยกันดังนี้แล้วก็จะก็ย่อมจะพบธรรมาทิปไตยคือธรรมะเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้อื่นก็ตามไม่ว่าจะเป็นตนเองก็ตามพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าได้ทรงเป็นธรรมาทิปไตย คือทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ในการที่ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนในการที่ทรงปกครองหมู่สงทรงมีธรรมะเป็นใหญ่ดังนี้เพราะฉะนั้นทิฏฐุปาทานคือความยึดถือทิฏฐิคือความเห็นนั้นจึงต้องพิจารณาดู หากไปยึดถือทิฏฐิคือความเห็นที่มีตัณหาเป็นใหญ่แล้วก็เป็นอันว่าเป็นไปในทางผิดมากกว่าเป็นไปในทางถูกต่อเมื่อได้มีทิฏฐิคือความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่นั่นแหละจึงจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องทางพุทธศาสนา ได้แสดงให้ภิกษุทั้งหลายภูที่จะมีสังกัสามาคีคือมีความพร้อมเพรียงกันของสงฆ์ไม่แตกแยกโดยอาศัยหลักสำคัญสองข้อคือหนึ่งศีลสามัญญาตาความเป็นภูที่มีศีเสมอกันสองิดทิสามัญญาตา ความเป็นภูที่มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกันนั่นก็มีความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาต ล, ลอดจนถึงทางใจตามหลักแห่งพระพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าร่วมกันเสมอกันทิฏฐิสามัญญาตา มีความเห็นเสมอกันนั้นก็คือมีความเห็นชอบถูกต้องตามพระธรรมโมบีในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้สรุปเข้ามาความเห็นที่เป็นความเห็นอันถูกต้องนั้นก็ได้แก่ความเห็นที่ เป็นอริยะคือความเห็นที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะได้ตรัสแสดงเอาไว้ความเห็นที่เป็นตัวอริยะเองคือเป็นความเห็นที่ประเสริฐที่ถูกต้องอันเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เป็นความเห็นที่นำผู้ที่ ประกอบด้วยความเห็นนั่นที่ปฏิบัติกระทำความเห็นนั่นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ดังนี้แหละคือเป็นความเห็นที่ภูอยู่ร่วมเป็นสังฆสามัคคีจะพึงมีความเห็นร่วมกันเมื่อหมู่แห่งภิกษุ มีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตาดังนี้ก็ย่อมมีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าหากว่ามีศีลไม่เสมอกันมีความเห็นไม่เสมอกันคือแตกต่างกันก็ย่อมเป็นเหตุแตกแยกฉะนั้นการที่ประสงค์ในพระพุทธศาสนา แตกแยกออกเป็นยานต่างๆเป็นนิกายต่างๆตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนมาจนถึงในสมัยหลังๆนี้ก็เพราะเหตุมีศีลไม่เสมอกันมีความเห็นไม่เสมอกันดังที่กล่าวมานี้เมื่อมีความเมื่อมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันอยู่แล้วก็ยอมจะมีความ สามคัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความแตกแยกกันในข้อ น, นี้เมื่อพิจารณาดูแล้วแม้ในทางฝ่ายครือข่าชนก็เช่นเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไปจนถึงประเทศชาติเมื่อมีความประพฤติเสมอกันอยู่และมีความเห็นเสมอกันอยู่ ในสิ่งต่างๆก็ย่อมจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแต่ถ้าหากว่าแตกแยกความประพฤติกันและแตกแยกความเห็นกันก็ย่อมเป็นเหตุแตกแยกเป็นไปเพื่อหายณะคือความเสื่อมเพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนำความประพฤติความประพฤติต่างๆนั้น ยอมสืบเรื่องมาจากความเห็นเมื่อเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็ประพฤติถูกต้องเมื่อเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องความประพฤติก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเรื่องทิฏฐิคือความเห็นจึงเป็นสิ่งสําคัญมากและทิฏฐ ป, ปาทานความยึดถือความเห็นคือทิฏฐินี้ก็มุ่งหมายทังยึดถือความเห็นที่ผิดต่างๆนั่นแหละเพราะฉะนั้น หากได้ทราบในข้อนี้ดีแล้วและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเกี่ยวกับเรื่องความเห็นคือระมัดระวังที่จะไม่ยึดถือความเห็นจะเป็นของโลกของใครก็ตามของตนเองก็ตามแต่ว่ามุ่งพิจารณาถือเอาธรรมะคือความถูกต้องเป็นประมาณจะเป็นความเห็นของตนก็ตามของผู้อื่นก็ตามเมื่อไม่ถูกต้อง คือไม่เป็นไปตามครองธรรมดังนี้แล้วก็วามายึดมั่นถือรั้นอยู่ในความเห็นนั้นแต่ว่าละเสียแก้ไขเสียแต่ถ้าหากว่าเป็นความเห็นอันเป็นธรรมะคือถูกต้องจึงจะปฏิบัติรับเอาความเห็นนั้นและในการที่จะพิจารณาดังนี้ ก็พิจารณาได้ตามเหตุผลตามความเป็นจริงที่รับไว้พิจารณาและก็ต้องอาศัยให้มีสตททิปัญญมีสติปัญญาอยู่ด้วยกันพร้อมทั้งปัญญาดังนี้แล้วก็จะนำให้สามารถด้พบความเห็นนั้นถูกต้องนำการปฏิบัตินั้นถูกต้องให้บังเกิดขึ้นได้เป็นความสวัสดีในที่ทั้งปวงต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อม น, นมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสัสมมาสมพุทรเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งจํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงพระเถราธิบายแห่งประสาริบุตรเรื่องสมาทิฏฐิซึ่งถึงข้อที่ท่านพระสาริบุตเรเถระ ได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าคือรู้จักอุปาทานรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้จักความดับอุปาทานรู้จักทางปฏิบัติ ไปถึงความดับอุปาทานและข้อแรกรู้จักอุปาทานนั้นท่านได้แสดงยกกับอุปาทานสี่ขึ้นมาได้แสดงไปแล้วสองข้อ จะแสดงข้อที่สามคือศีลปติปปาทานความยึดถือศีลและวัดหรือศีลและพรดคำว่าศีลละวัด ประกอบด้วยคำสองคำคือศีลคำหนึ่งและวัดอีกคำหนึ่งศีล น, นั้นก็ได้แก่ความประพฤติหรือข้อที่ประพฤติวัดนั้น ก็ได้แก่ข้อที่ปฏิบัติบางทีเรียกว่าพรต ด, ดังคำว่าบําเพ็ญพรตพรตก็มาจากวัดข้อที่ปฏิบัตินี้เอง ทั้งสองคำนี้เป็นคำที่ใช้คู่กันศีลความประพฤติหรือข้อที่ประพฤตินั้นถ้าเป็นศีลในทางพุทธศาสนา แสดงเป็นข้อที่พึงเว้นดังศีห้าก็ได้แก่เว้นจากภัยเวรห้าข้อดังนี้เป็นต้นมาถึงปาติโมกสังวรศีลศีลในพระปาติโมกลำบักภิกษุ ก็มีทั้งข้อห้ามและข้อที่อนุญาตข้อห้ามก็คือข้อที่บัญญัติห้ามมีให้กระทําห้ามการกระทําเมื่อไปล่วงละเมิดกระทําเข้าก็ต้องอับบัต หนักปานกลางหรือเบาตามพระบัญญัตินั้ น, น, นและก็มีข้อที่ทรงอนุญาตให้ทำที่เรียกว่าข้ออนุญาตคือที่ทรงสั่งให้กระทำหากไม่ทำตามที่ทรงสั่งให้ทำก็ต้องอบัต อีกเหมือนกันแต่ว่าสีนทั่วไปสินห้าสินแปดสินสิบก็แสดงในทางเป็นข้อห้ามคือให้งดเว้นวัดนั้น ได้แก่การปฏิบัติความปฏิบัติหรือข้อที่ปฏิบัติดังเช่นข้อที่เกี่ยวแกข้อที่ปรงปฏิบัติต่างๆยกตัวอย่างสำหรับภิกษุบริษัท ก็เช่นอุปชายวัตรอาจริยวัตรข้อที่สัตวิหาริกอันเตวศิกยึงปฏิบัติต่อพระอุปชาอาจารย์และข้อที่พึงประพฤติ และข้อที่พึงปฏิบัติต่างๆเห <c oughs> ล่านี้เรียกว่าวัดศีลและวัดนี่ได้มีมาแกบุคคล ถืออยู่ในศีลในวัดทั้งหลายตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลนั่งเช่นศีลในวัดของภูบุตเป็นฤาษีดาบทเมื่อถือลฐทิบูชาไฟ ก็ทำการบูชาไฟคือก่อกองไฟขึ้นหรือสีดาบททั้งปวงก็มีสีลคือข้อที่ประพฤติหรือความประพฤติที่ งดเว้นจากการกระทาบางอย่างและมีวัดคือข้อที่พึงปฏิบัติดังเช่นบูชาไฟดังกล่าวนั้นดังนี้ก็เป็นศีลในวัด ของฤาษีดาบททั้งหลายนอกจากนี้ยังมีศีลนลวัดของศา ส, สดาทั้งหลายภายนอกพุทธศาสนาดังเช่นที่แสดงไว้ในคำพีพุทธศาสนา ถึงาศาสดาภายนอกพุทธศาสนาที่เรียกว่ า, าศาสดาหกจำพวกซึ่งต่างก็ได้สั่งสอนศีลในวัดแก่สาวกทั้งหลายของตนในทางต่างๆกัน แม่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางสุดตรงสงที่บรรพชิตภูมิมุ่งจะตรัสรู้ไม่ควรที่จะซ่องเสพปฏิบัติคือการมาสุ ข, ขันในการอุโยกความประกอบตนด้วยความ สดชื่นในทางกรมและอตตกิลมัฐานุโยคความปฏิบัติทรมานตนให้ลำบากคือทาทุกขระกิริยาต่างๆเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นศีลในวัด ซึ่งศาสดาในภายนอกพุทธศาสนาสั่งสอนกันและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ยึดถือปฏิบัติในศีลลวัตที่แปลกแปลกไปจากนี้ดังที่มีแสดงเล่าไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนา มันเรียกว่าโควัดสุนัขวัดโควัดก็คือว่าถือปฏิบัติอย่างโคสุนัขวัดก็คือว่าคือปฏิบัติอย่างสุนัขเป็นต้นว่าภูที่ ยึดถือปฏิบัติในโควัดสุนัขวัดก็ใช้เด บ, บสุนักแบบโคทากิริยาอาการทาเสียงนั่นแหละบริโภคแบบสุนักแบบโคเหล่านี้ เรียกว่าโควัดสุนัขวัดในครั้งพุทธกาลถือศีลในวัดกันแบบนี้ก็ยังมีแล้วก็มีแสดงเล่า ว, ว่าบางคนที่ถือโควัดสุนัขวัดได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า เรามื่อปฏิบัติในศีลและวัดแบบสุนักแบบโคสิ้นชีวิตไปจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าก็ไปเกิดเป็นสุนักไปเกิดเป็นโคนั่นแหละดังนี้เหล่านี้เป็นศีลและวัดในภายนอกพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่มากมายซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเว้นมาโดยลำดับสำหรับเสียในวัดที่เป็นชั้นหยาบก็ได้ทรงเว้นเสียทีเดียวไม่ทรงทดลองแต่ในบางอย่าง ในทรงทดลองปฏิบัติดังเช่นทรงเข้าศึกษาในสำนักของพระดาบททั้งสองคืออาลาราดาบทและอุทธกดาบทซึ่งสั่งสอน ศีลและวัดเพื่อสมาบัรเจ็ดเพื่อสมาบัรแปดซึ่งคนนับว่าเป็นศีลละวัดทางสมาธิอันละเอียดประณีตแต่ว่าก็ยังประกอบด้วยอุปาทานคือความยึดถือในศีลละวัดที่ปฏิบัต คือใ น, บบ 7, ในสมาบัตเจ็ดในสมาบัตแปดเพื่อไปเกิดเป็นพรหมก็คือว่าเพื่อพบเพื่อชาติยังไม่พ้นจากพบจากชาติจึงยังไม่พ้นจากทุกข์พราะนั้นจึงได้ทรงลาออกจาก สำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองก็ไปทรงทดลองประพฤติปฏิบัติศีลในวัดที่เป็นทุกขะกิริยาทรมานพระกายให้ลำบาก ด, ด้วยวิธีต่างๆจนถึงอย่างยิ่งยดุดเนื่อในที่สุดก็ทรงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่ให้เกิดปัญญาที่จะตรัสรู้ธรรมะได้ ยังได้ทรงเลิกและได้ทรงหวนถึงสมาธิจิตที่ทรงได้เมื่อเป็นเล็กๆตามเสด็จพระพุทธบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญพระภุมา น, น้อยได้ประทับพักอยู่ที่ใต้ร่มไม้ ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพระราชบิธีจิตของพระองค์ก็รวมเข้าที่ท่านแสดงว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกทรงได้ปฐมฌานแต่ว่าฌานที่ทรงได้ครั้งนั้นก็เสื่อมไปทรงระลึกได้จึงทรงเห็นว่า สมาธิที่ทรงได้อย่างบริสุทธิ์เมื่อครั้งเป็นพระกุมาร น, นั่นจะพึงเป็นทางแห่งความตรัสรู้ได้ซึ่งทรงจับทำสมาธิจิตันแสดงว่าทรงกำหนดลมให้ใจเข้าออกเป็นอาณาปานสติซึ่งเป็นสมาธิอย่างบริสุทธิ์ ไม่ยึดถือเพื่ออะไรรั้นทรงได้สมาธิจนถึงขั้นฌานแล้วก็ได้ทรงน้อมกิจที่เป็นสมาธินี้ไปเพื่อรู้จึงทรงได้ภยาน ทั้งสามอันได้แก่บุเพนิวาสานุสติญาณความอย่างรู้ระลึกชาติในปังก่อนได้จุตูปปาติญาณความอย่างรู้จุติคือความเคลื่อนและบมวมัดความเข้าถึงชาตินั้ น, น, น ว่าเป็นไปตามกรรมและอาสวะคยกยานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะจึงในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามพุทธประวัติที่แสดงนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าในที่สุดพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็ไปทรงได้พระองค์เองเป็นอาจารย์คือพระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารเล็กๆซึ่งได้สมาธิจนถึงปฐมฌานในพระราชบิธีแรกนาขวัญที่เรามานนั้นก็พระกุมารเล็กๆคือพระองค์เองนั่นแหละ เป็นอาจารย์ของพระองค์เองเมื่อส่งแสวงหาทางแห่งความรัสดรุตัวโดยที่จิตของพระกุมารเล็กๆนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยังไม่มีตัณหาคือความอยาก ทั้งที่เป็นส่วนกา ร, ร ม, มาตัญหาภัววัฒหาวิภัวตัญห า, า, ญหาและเมื่อได้นั่งอยู่เฉยๆประทับนั่งอยู่เฉยๆในขณะที่พระราชบิดาทรงแรกนาขวัญ น, นั้นอาศัยพระบรารมีที่ทรงบำเพ็ญมา จึงทำให้จิตของวราองค์รวมเข้ากำหนดลมให้ใจเข้าออกราลมให้ใจเข้าออกนี้ของทุกคนก็ต้องให้ใจกันอยู่ตลอดเวลาปรากฏอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่ว่าไม่ได้กำหนดเท่านั้น ร้านองพระกุมารเล็กๆนั่งประทับรออยู่เฉยๆ